พ้อสำคัญให้บวชให้แม่เห็นทรายผ้าเหลืองก็แล้วกันถ้าบวชออกมาแล้วออกมาจากบวชแล้วจะศึกเลยแม่ก็ไม่ว่าอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นแต่ทีแรกทีองลงตาก่อนบวชท่านได้คิดอย่างนั้นแต่พอท่านบวชเข้ามาแล้วท่นี่ในสามเดือนนั้นท่านได้ศึกษาในธรรมปฏิบัติทั้งศึกษาพุทธประวัติ ความเป็นมาของพระพุทธเจา้าได้ศึกษาสาวกประวัติคือประวัติของพระสาวกที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจา้าสาวกประวัติคือคือในชีวประวัติของพระโมคคัลสาลีบุตรพระอานุ์พระมหากระสับปั๊กอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ได้ศึกษาจากนั้นก็ได้ศึกษาแนวทางในภาคปฏิบัติว่าความเป็นไปได้เรื่องจิตภาวนา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 เกกว่าปีท่านดำรงทรงศาสนามาโดยตลอดยึดมั่นในแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยึดแนวแถวพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจา้าเป็นที่กล่าวว่าสักระบูชาของพวกเราท่านทั้งหลายแต่เบื้องต้นท่านก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านถ้าจะถือแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาประพฤติธปฏิบัติมาก็พวกเรากควรจะมีแนวคิดอย่างนั้น แต่ถ้าว่าพวกเราน่ยถ้าอยู่ไม่ได้อันนั้ก็เป็นบุญวาสนาบา ร, รมีของแต่ละคนจะ ก, ก้างกาันกันไม่ได้แต่ถ้าว่าผู้มีบุญวาสนาบา ร, รมีแล้วมันจะมองเห็นไปอีกรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าว่าผู้ไม่มีบุญวาสนาก็ต้องมองอีกในรูปอีกแบบหนึ่งอันนั้นมันออกมาจากจิตใจของแต่ละท่านอ่ะไม่ว่ากันแต่ถึงยังไงก็ตามพวกท่านทั้งหลายได้มาบวช กับผมมาอยู่กับผมสามเดือนกว่าๆตั้งแต่ริเริ่มเป็นนาคมาจนถึงบัดนี้ผมเองก็ไม่ได้หนักใจกับพวกท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายมาอยู่ก็เป็นที่เบาใจเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายทุกองเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจในสายตาของผมแล้วว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจ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 อย่างอดอาหารอย่างนี้ก็ได้เห็นพวกท่านทั้งหลายกระทํามาโดยตลอดอันนี้ก็คือเห็นเป็นรูปประธรรมส่วนนามธรร ม, มนั้นผมก็คิดว่าเมื่อท่านพวกท่านมีความมุ่งมั่นในการอดอาหารอย่างนี้แล้วในจิตภาวนาส่วนลึกลงไปคิดว่าพวกท่านก็คงจะตะเกียกตะกายคงจะมีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจไม่น้อยจึงได้ มีความอุดสาหะวิริยะที่จะอดอาหารเพราะการอดอาหารทาว่าไปแล้วไม่ใช่ของทำได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะมันเป็นการต่อสู้ทางร่างกายมีความหิวเป็นพื้นฐานแต่ถ้าว่าพวกเรายังมีความอุตสาหะวิริยะพยายามอดอาหารเพื่อบาเพ็ญทางกิตตภาวนาผมว่าอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นว่าพวกเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเอาจิงาบางท่านอดอาหารเกือบยี่สิบวันก็มีพระใหม่ผมว่าอันนี้ก็เป็นที่น่าจกย่องนับถือเหมือนกันแต่ว่าการอดอาหารที่จะได้มากน้อยอย่างไงแค่ไหนจิตจะเข้าสู่ความสงบมากน้อยอย่างไงแค่ไหนอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถึงอย่างไงผมว่าก็ได้ความอดทน เ, เมื่อออดอาหารไปแล้วท่านก็ไม่ได้เสีย อวัยวะอะไร ม, มันด้เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรเปลี่ยนถวาการอดอาหารเป็นการทดลองเป็นการทดลองเป็นการทดสอบเป็นการบําเพ็ญทางจิตใจดูว่าใจของเราจะเข้มแข็งมากน้อยอยังไงแค่ไหนอันนี้ก็คือเป็นการบําเพ็ญเป็นการทดสอบทดลองขันติบารมีของพวกเราแต่พวกเราท่านทั้งหลายทําได้ขนาดนั้นผมก็นับว่าผมคิดว่า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 อันนี้ผู้ที่อดอาหารนั้นต้องดูใจตัวเองพอสมควรเอาชนะใจตัวเองพอสมควรจึงจะอยู่ได้ถึงขนาดนั้นอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้แสดงออกเที่ให้หมู่เพื่อนได้เห็นในการประพฤติปฏิบัติหรือในการเอาจริงเอาจังสําหรับการบำเพ็ญกายวาจาใจของพวกท่านนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่ง แต่ตอนนี้เมื่อเมื่อเราบวชเข้ามาก็ได้บาเพ็ญอย่างเต็มที่อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มีความตั้งใจมาตั้งแต่ครวญแล้วก็พร้อมกันก็ได้บาเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อทดแทนพระขุดบิดามารดาครูอุปชายอาจารย์ปู่ย่าตายายก็จะสิ้นสุดลงแล้วเพราะจะได้ไปตามการเวลาเพราะว่าชีวิตของพวกเรา ก่อนที่จะบวชก็ได้ออตั้งใจว่าจะบวชเพียงเท่านั้นวันเท่านี้เดือนจะต้องได้ออกไปเป็นฆรวาสอย่างนี้แต่บัดนี้ก็จวนเข้ามาเต็มทนแล้วถึงยังไงก็ตามเมื่อพวกท่านทั้งหลายออกไปเป็นฆรวาสก็ให้ตั้งอยู่ในฆราวาสธรรมรมของฆรวาสอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มาศึกษาอย่าให้เป็นที่ว่าเมื่อเข้ามาศึกษาก็เป็นผู้ตั้ง อ, อกตั้งใจ พอออกไปก็เป็นคนดีคนดีและอีกต่อไปไม่นานความดีที่เราได้สั่งสมมา น, นั้นหายหดไปหมดไม่ควรจะให้เป็นอย่างนั้นเมื่อเราพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วเมื่อเราเข้ามาบวชแล้วเราเด็กพิจารณาดูแล้วเมื่อเราออกไปเราควรจะทำตัวอย่างไรในเมื่อออกไปแล้วเราก็ควรจะทำให้มีสัจจะ ให้มีขันติให้มีความเพียรให้มีความอดทนในการประพฤติปฏิบัติสั่งสมคุณงามความดีต่างกายวาจาใจของเราให้ไปในทางที่ถูกต้องอย่าให้ล้มลุกคลุกคลานอย่าให้เป็นไม้ปักขี้เลนอย่าไปให้เป็นเหมือนกับเรืออยู่กลางมหาสมุทรไม่มีสมอยึดเหนียวเควงคว้างไปหมดอย่างนั้นใช้ไม่ได้ เพราะนั้นพวกเราเมื่อออกไปสู่ครวัตแล้วก็ให้เอาจริงเอาจังตั้งอกตั้งใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมว่าเรื่องสุรานะแหมผมขอเตือนผมขอบอกพานวิ ก, กะที่จะไปสู่ครวัต เ, เหมือนกับเราจะเข้าไปสู่ศึกสงครามอย่างนั้นแหละแหมผมเป็นห่วงเพราะนั้นผมในฐานะเป็นอาจารย์แหมผมขอบอกกล่าวเตือนพวกท่าน ว่าเรื่องสุราถ้างดได้งดดีที่สุดเนียไม่ดื่มพกบงพกเบียรอะไรก็ตามเออให้งดได้ดีที่สุดเพราะสุราเป็นบ่อเกิดแห่งความชั่วหลายๆอย่างเมือนเราดื่มสุราเข้าไปแล้วทั้งนารีก็เข้ามาอบายยมุกเล่นการพนันอะไรก็เข้ามาความชั่วหลายอย่างการปนการขีก่การลักการขโมย เกะกาละลานออกมาจากตัวนี้มากเพราะฉะนั้นทางว่าเป็นไปได้ผมว่าควรจะตั้งจิตอธิษฐานตั้งแต่ออกจากวัดข้าพเจ้าจะงดไม่ดื่มโซราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตควรจะเป็นอย่างนั้นนะแต่มีสัจจะในตัวเองด้วยอย่าโกหกนะถ้าว่าโกหกเข้าไปแล้วเพ้อๆจะเกิดความวิบัติขึ้นมาทําให้จิตใจของเราปั่นป่วนอีกต่างหากแต่เราต้องคิดให้ดีเสียก่อน ก่อนถี่จะตั้งคำสัตย์นี้ออกไปถ้าตั้งออกไปแล้วคำไหนก็ตามต้องเป็นคำนั้นอย่าให้เป็นลักษณะมวยลมโกหกตนเองนะเพราะนั้นผมว่าในเรื่องตัวนี้ควรจะสาเหนียกสานึกเอาไว้ถ้าหากว่าหลวงพ่อสมมติหลวงพ่อไปเป็นครวญอย่างผมเลยละเมื่อสืก่อออกไปแล้ว หลวงพ่อจะทำยังไงหลวงพ่อจะทำยังไงอย่างที่พวกผมเป็นคราวญออกไปเนี่ยหลวงพ่อจะทำยังไงแต่สมมติว่านะถ้มว่วหลวงพ่อเป็นอย่างพระที่ลูกหลานจะได้ลาศิกขาไปนี่แหละหลวงพ่อจะทำตนอย่างไรอันดับแรกเราก็ต้องระลึกถึงเรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งไว้ในใจ อันนี้คือยึดเหนียวในใจว่าเมื่อข้าพเจ้าเข้ามาบวชสามเดือนนี่เราได้ศึกษาและได้ปฏิบัติยึดแนวแถวภาคปฏิบัติและเลือกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์และเลือกถึงคุณบิดามารดาขูอุปชาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณเราเชื่อมั่นว่าบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วเกิดแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นะฉะนั้น ข้าพุเจ้ายึดแนวแถวพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวแถวดำเนินชีวิตของเราเพราะนั้นเราจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเราจะยึดมั่นอย่างนั้นจากนั้นเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นอะไรก็ตามเราก็ถือว่ากลัมกลัมเก่าของเราเราคงจะทำกรัมไม่ดีเอาไว้ในอดีตเทวา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 แต่จะให้เรานับถือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายจริงๆเราจะไม่นับถือเพราะสิ่งเหล่านั้นศาสนาเหล่านั้นศาสนาเหล่านั้นในหลักของพุทธศาสนาเรามองว่ายังมีกิเลสอยู่ยังมีราคะโทสะโมหะยังให้โทษให้คุณอยู่อย่างพระภูมิอย่างเทวดาพระพรหมอะไรก็ตา ม, พ ร, ม, aka, มพระพรหมก็ยังมีกิเลสอยู่ยังมีราคะโทสะโมหะอยู่พราะพรธเจ้าไม่มีราคะโทสะโมหะมมพระหรหัน์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 ให้ความนับถือพ่อแม่พ่อแม่ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณได้เลี้ยงดูเรามาพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสำหรับตัวของเราร่างกายตั้งแต่หัวจดเท้าเราได้มาจากพ่อจากแม่เพราะนั้นเราจะมองพ่อแม่เป็นอย่างอื่นไม่ได้เราต้องยึดพ่อแม่เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นบุพก า, ารน์ของเราอยู่ในใจลึกๆถึงยังไงถึงเราจะไม่แสดงออกก็ตาม ในใจของเรานนั้นจะกราบไหว้บูชาพระคุณของพ่อแม่กราบไหว้บูชาพระคุณของพ่อของแม่อยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาเวลาก่อนหลับก่อนนอนแล้วก็จะระลึลกถึงกราบไหว้ยอยู่ในใจพุทโธธรมโมสังโฆขอกราบไหว้คุณบิดามารดาคุณครูปราชญ์อาจารย์และผู้มีพระคุณทั้งหลาย อ, อันนี้เราก็กราบอยู่ในใจของเราอันนี้คือก่อน รับก่อนนอนสมมุติว่าเอาอย่างออกไปวันนี้ยอตอนเย็นมาเราจะทํายังไงอถ้าไปพบหมูพวกเพื่อน เ, อเรื่องสังสรรค์กินเหล้าเมายานั้นเราจะไม่สังสรรค์โดยเด็ดขาดถ้าเราหมูพวกเพื่อนมาเือเอาหมูพวกเพื่อนมาเหรอก็เลี้ยงก็เลี้ยงน้ําเลี้ยงอะไรธรรมดาเอา้ยผมก็ไปปวดในพุทธศาสนาผมได้ศึกษาแล้วอจะให้ผมเลี้ยงเหล้าเลี้ยงยาจะให้ผมตกกระทําลําบากเะนะ ผมได้ศึกษาแลวจะเอาคุณงามความดีของผมมาปูยี่ปูย่ากับสิ่งที่มันไม่ดีที่ได้ศึกษามาแล้วก็เหมือนเป็นการเหยียบย่ำเหยียบย่ำตัวเองที่ได้ทำมาได้ประพฤติปฏิบัติมามันเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งสาหรับตัวของผมเองแต่ถ้าหมูพวกเพื่อนจะกินอะไรก็ไม่ว่ากันผมก็ไม่ว่าแต่สาหรับตัวของผมแล้วผมข อ, อผมจะไม่ขอทำเนี่ยเพราะการทคือการเหยียบย่า ที่ตัวเองได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วตั้งสามเดือนมาแล้วจะมากินสลองแล้วก็มาเหยียบย่ำเพราะคูบาอาจารย์พระพุทธศาสนาพะพุทธเจ้าท่านสอนแล้วสิน5ประการสาหรับครวาสเราก็รับไปหมาดๆรับไปสดๆแล้วไปถึงแล้วจะไปทํลายทั้งที่รู้รู้อยูอ่ไม่สมควรกับผมอย่างยิ่งเพราะนั้นผมต้องเคารพอันนี้คือเราจะต้องพูดอย่างนั้น ไม่บัวไม่ช้ำน้ำไม่คุลว่างั้นจากนั้นต้นเย็นมาเราก็จะไหว้พระทุกวันตั้งแต่วันศึกไปอรหังสัมมาสัมพุทธโทธนโมตัสสะ พ, พุทธทงทังธรมมังสังขังเราพูดอย่างสวดอย่างเมื่อกี้เนี่ยได้อย่างเมื่อกี้เนี่ยนับวดีมากแต่อัชมายาเราไม่ต้องสวดก็ได้สวดชราธโ ม, มหิไปอรหังสุกิโตโหมิจากนั้นก่อนเนี่ยแผ่เมตตาอันสุดท้าย อมฉเพสตาธดาหนตุนะเราก็สวดอันนี้เป็นการแผ่เมตตาจากนั้นเมื่อเราไหว้พระสวดมนต์จบแล้วนะเราก็นั่งภาวนาอันนี้คือชีวิตประจําวันนะประจําวันในฝ่ายดีและส่วนฝ่ายการงานนะั้นเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีหนึงอันนี้คือชีวิตประจําวันในฝ่ายศาสนาฝ่ายจิตใจหาอาหารให้ใจเพราะงั้นเอออาหารกายอาหารใจน เราให้รู้ให้แยกให้ออกว่าอาหารกายเนะี่ยพวกเราควรจะทํำยังไงอันนี้ผมพูดอาหารใจก่อนนี่อาหารใจนี่ก็คือเนี่ยก่อนหลับก่อนนอนเราไหว้พระสวดมนต์ซะก่อนจากนั้นก็นั่งภาวนากับหลดลมหายใจเข้าพุดหายใจออกโถห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีตามการเวลาอันเหมาะสมนะจากนั้นยังค่อยหลับค่อยนอนต่อไปอันนี้ก็คือ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 แต่ทิงยังไงก็พยายามจะไม่ให้ขาดพอนั่งภาวนาจบแล้วเราก็มาไหว้พระอะระหังสัมมาสัมพุโทโธนะโมตทสจาพุทธังธัมมังสังขังจากนั้นก็แผ่เมตตาจากนั้นก็ลุกมาทํากิ จ, จวัตรแปลงฟันอาบน้ําอะไรแต่งตัวแต่งตัวไปทําการทํางานในเมื่อไปทําการทํางานเราก็จะซํารวมระวังไว้อยู่เสมอว่าเราจะตั้งตนเป็นคนดี เราจะมองตนเองอยู่เสมอเราจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องฮิริคือความละอายแก่ใจเราจะคิดไว้อยู่เสมอโอตปาคือความกลัวต่อบาปเราจะไม่ทำเราจะมองเขาจะมองเรามองเพื่อนมนุษยชาติเขาก็กลัวตายเขา ก, กลัวทุกเขาก็กลัวเบียดเบียนเขาก็กลัวอรัดเอาเปียบแต่เราคนหนึ่งเราก็กลัวอย่างเขาเหมือนกัน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 สำเหนียกไว้อยู่เสมอว่าเราจะไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดดักใจกับเราจากนั้นเราก็คิดอยู่เสมอว่าวิชาอาชีพที่เราทําไปเนี่ยเป็นวิชาอาชีพเป็นสั ม, มาชีพหรือเป็นมิจฉาอาชีพถ้าเป็นมิจฉ า, าชีพเราจะไม่ทําเพราะชีวิตของเราเป็นของไม่เทียงแท้แน่นอนไม่รู้จะจากไปเมื่อไหร่เราจะไปมุ่งหวังแต่โลกามิษมุ่งหวังแต่เงินแต่คำทรัพสมบัติอย่างเดียวองคไม่ได้เราควรจะมุ่งหวังทาง คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเราด้วยไม่ใช่ว่าเราจะไปมุ่งหวังแต่เงินคํทรับสมบัติภายนอกเท่านั้นอาหารใจของเราเราควรจะมองไปพร้อมๆกันสรุปแล้วก็คือเราให้เป็นคนดีคิดอยู่เสมอว่าเราจะไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นถ้าว่าเรามีครอบมีครัวเราก็พยายาม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 เป็นเพื่อนชีวิตของเราแล้วเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่ไหมอย่างเนี้ยสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้คิดเหมือนกันถ้าเอามาแล้วเป็นพิษเป็นภัยไม่ลงรอยกันตัวของเรานะี่จะต้องเป็นทุกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นไม่มีใครที่จะเป็นทุกเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดไต่ตรองดูด้วยเหตุด้วยผลให้ชัดเจนให้ท่องแท้ให้มองไกล ใช้วิสัยทัศน์ให้มองไกลๆอย่าไปมองใกล้แบบสุกเอาเผากินแบบง่ายๆเราต้องมองให้รอบด้านมองให้รอบทิศมองพ่อมองแม่มองพี่มองน้องมองวงสานายาตมองศาสนาให้มองศาสนาด้วยนะถ้าหากว่ามันผิดมันงัดมันง้างกันตัวของเรานั่นแหละจะเป็นทุกข์เพราะนั้นเราต้องดูดูให้รอบทิศ ก่อนที่เราจะมีคู่ครองอะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเพราะว่าหลวงพ่อบอกในเมื่อหลวงพ่อเป็นคระาวหลวงพ่อจะทําตัวอย่างไรเพวัะนั้นหลวงพ่อจึงได้พูดอย่างนี้ขึ้นมาให้พวกท่านทั้งหลายพวกพระลูกพหลานพวกที่จะไปสู่คระาวาจะดํารงตัวอย่างไรเนี่ยนี่แหละสิ่งเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายควรจะคิดให้รอบคอบตอนนั้นก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา ก็หน้าที่การงานอย่าให้ขาดตกบกพร่องทามาหาเลี้ยงชีพอุทานสัมปทาอารรคะสัมปทาการยานมิตตาสัมมาชีวิตาทั้งสี่อย่างนี้เราจะพยายามให้บริสุทธิ์บริบูรณ์พิธธรรมมิตรประโยชน์คือประโยชน์ภายหน้าอีกออทานศีลภาวนาอันนี้เราก็ไม่ให้ขาดตกบกพร่องอีก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 มันถ้าจะว่าไปแล้วก็คือยกระดับสูงแต่ว่าจะให้ทำได้ทุกอย่างที่ผมได้กล่าวไปนี้ก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ผมก็พูดอย่างนั้นออแต่ว่าให้ค้าวเขียนไว้เพื่อเป็นบรรทัดฐานถ้าทำได้อย่างที่ผมพูดนี้เลิศประเสริฐแต่ถ้าไม่ได้ถึงขนาดนี้ก็จะให้มันย่อนจนเกินไปจนไม่มีอะไรติดตัวฉเฉลยก็คงจะไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นการที่จะทําตัวอย่างไรจึงจะเหมาะสมในฐานะและการเป็นอยู่ของเราเพราะว่าการวิชาอชีพของพวกเราไม่เหมือนกันทําไร่ทํานาทํารัว้วทําสวนทําราชการงานเมืองธมาค้าขายมีหลายๆอย่างบริษัททางร้านอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้เสมอกนนันก็คงจะเป็นไป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 เป็นที่ยอมรับของคู่คนที่มาเกี่ยวข้องถ้าเราทําอย่างนั้นได้ถ้าเราจะทําเสียอย่างก็คงจะไม่มีปัญหาอย่างยมพ่อของผมเองอายุสามสิบห้าปีท่านจะรักษาสินหาทั้งที่ท่านอยู่บ้านนอกหอกคาเมอาหารการบริโภคทํามาหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองไม่ได้มีตลงตลาดท่านก็ยังรักษาสินหาได้ตลอดรอดฝั่งถึงอายุเก้าสิบกว่าปีจึงได้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 สรุปแล้วก็คือให้มีความซื่อสัตย์สุดจริตต่อตอนเองต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อผู้ที่เกี่ยวข้องนะให้ใช้ปัญญาทบทวนดูเหตุและผลมองให้รอบด้านรอบทิศมองสูงมองต่ำอย่างที่ผมว่านะั่นนะอย่าให้มันมีปัญหานั่นแะหนะละชีวิตของพวกเราสรุปแล้วก็คือโบราณเขาว่าคาราวาส ค่าหลายวาดหลายวาดหลายเชิงหลายเล่หลายเหลี่ยมเอหลายเรื่องหลายเรานานับประการมันน่นเป็นครวัตเพราะฉะนั้นเราจะได้ออกไปสู้ออกไปเป็นครวัตเพราะฉะนั้นเราควรจะเตรียมตัวให้ดีพอสมควรถาาว่าเราเตรียมตัวไม่ดีออกไปเป็นครวัตเนี่ยก็จะเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์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 เบื้องหน้าของเราเนี่ยแปบลบว่าจะไม่กุ้งโรอจะไม่สดใสพูดง่ายๆพูดอย่างนั้นได้เลยแต่ถ้าว่าพวกเรารู้จักการบริหารจัดการกับตัวเองแล้วชีวิตของพวกเราก็จะได้รับความสงบเพราะรู้จักหารู้จักเก็บแล้วก็รู้จักใช้เหลือไว้เพื่ออนาคต ที่เราจะต้องได้รับผิดชอบพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกเต้าหลานเหลนของพวกเราตัวของเราลูกเต้าเราเหลียของตัวเราแต่ถึงยังไงก็ตามอย่าให้เก็บจนงกจนไม่รู้จักทำบุญทำทานมีอะไรก็เก็บหมดอันนั้นก็ไม่ถูกมีอะไรใช้ชุวยดช่ได้เกินไปก็ไม่ถูกอันนี้เขาว่าไม่ถูกก็คือไม่ไม่ถูกต้อง ญาติพี่น้องเพิ่นผูงหลูกหลานเข้ามาเกี่ยวข้องไม่รู้จักแบ่งปันให้แก่เขาไม่ถูกอถ้าใช้รู้จูแชกจนเกินไปไม่ถูกทํายังไงจึงถูกคือความพอดีออย่างที่ว่านะ่ะเอมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังอแบ่งปันเท่าที่จะแบ่งปันได้เออย่าไปกี่ตะหกขีดเหนียวจนไม่มีวงสาคณาญาติจนไม่มี มีเพื่อนมีสหายอันนั้นไม่ดีนะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะที่จะออกไปสู่ครวญก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจเป็นครวญที่ดีนะครับพร้อมกันก็ให้มีศีลธรรมเมื่อเท่าแกชรามาเมื่อเราไปเป็นครวญแล้วเมื่อสูงอายุขึ้นมาหกสิบเจ็ดสิบพมาแล้วอย่าไปลืมตัวจนเกินไปควรจะถอนตัวนะเอควรจะหันหน้า เข้าสู่คุณงามความดีควรจะหาหนทางบำเพ็ญทานศีลภาวนาหาทางพ้นทุกข์ให้ตนเองเ อ, อย่าไปหมกมุ่นกับโลกจนเกินไปโลกอย่างนี้ต่อจากนั้นแหละคาว่าโลกมันเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นมีแต่เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นเพราะนั้นพวกเราควรจะหาทางสู่มรรคสู่ผลของพวกเราพวกพวกเรา ได้เห็นแล้วรู้แล้วเห็นแล้วได้ศึกษาแล้วว่าตายแล้วไม่สูญอย่างที่ว่านั้นะตายแล้วเกิดอีกใจดวงนี้ับพาไปเกิดเพราื่อให้พวกเราทุกๆุ ท, กท่านนะที่จะไปสู่ค า, ารวาสขอให้เจริญเจริญแล้วก็ให้ประสบความสําเร็จปรารถนาสิ่งใดที่อยู่ในกรอบของศิลธรรมก็ให้สําเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนา อ, อย่าไปลืมศิลธรรมอย่างที่ผมได้กล่าวไว้แล้วนะ วันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องที่จะไปสู่ครวาตเพราะวันต่อไปผมว่าคงไม่มีโอกาสที่จะได้พูดแล้วเพราะอีกวันพ่งนี้ก็เป็นวันเริ่มงานของพวกเราจากนั้นก็วันออกพรรษาจากนั้นกัวันกระถิน่นจากนั้นกัหมูฟุกมเพือยก็จะได้แยกย้ายกันไปคนละทางกันออกพรรษาแล้วสำหรับพระเก่าเออเอาอยู่แต่พระใหม่ที่ เขามาตั้งอกตั้งใจเข้ามามาบวชก็จะได้แยกย้ายกับเป็นคราวาสทําการทํางานทําการศึกษาต่อไปนะแต่ถึงยังไงก็ขอฝากไว้กับลุกหลานทุกๆท่านนะันนะออกไปเป็นคราวาสให้เป็นคนดีอย่าทําให้เสียหายชื่อเสียงตระกูลวงศสกุลทําให้เสียชื่อเสียงพ่อแม่อย่าทําให้เสียชื่อเสียง วัดหลวงพ่ออินวะงัออ้นแหละหลวงพ่ออินสั่งสอนแอบกอกเชาวกอกเียนพอกลับออกไปไม่กี่วันอ่าเป็นหลังหมีหลังหมาไปหมดเอ่ขาดคุณธรรมขาดศีลธรรมขาดจริยธรรมไม่มีศีลธรรมในจิตในใจเสียเลยหลวงพ่อว่าเราก็ามาศึกษาเนี่ยจิบหายแอบล่มจมจีบหายผลปีขาดทุนที่สุดเสามเดือนที่มาอยู่กินอาหารมื้อเดียวด้วยทุกข์ด้วยลําบากด้วยทั้งลิ้นทั้งยุงกัดด้วย อยู่ด้วยความลําบากออกไปก็ไม่ได้อะไรมีอะไรติดตัวไปด้วยอย่าให้เป็นอย่างนั้นควรจะอยู่ไร่ตรองเหตุผลออกไปก็ไปด้วยเหตุด้วยผลการเป็นอยู่ก็ด้วยเหตุด้วยผลเอาธรรมะทำคาสั่งสอนที่ครูบาอาจารย์ที่ได้ยินได้ฟังจากนั้นก็นํามาประปรุงกายวาจาใจของเรา